ไปความสุกกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบภาคัเดือนกล่าแล้วเนาะเปอแป๊บเดียวใกลๆจากกางปัญษาแล้ววันนี้ก็พระเราจะได้ไปลงอุโบสถสังฆกรรมกันที่บ้านนาเพียงหลังจากฉันข้าวเสร็จทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ฝากัน ออกมานั่งเอารถตู้ไปญาติโยมท่านใดที่จะมีรถไปส่งพระก็เอามาจอดไว้ที่หน้าฮอชั้นเรานี่นะพระเราก็จะได้ไปกันไปลงอุโบสถท้งกรรมกันที่วัดบ้านนาเพียงปีนี้ก็ให้กระจายกันไปให้ทุกๆวัด หลวงพ่ออุปชาท่านก็จะให้ได้ดำเนินไปทุกๆวัดเปลี่ยนสถานที่เพราะว่าลงสังฆกรรมกันที่วัดของเราเออนานบางทีก็ทั้งไตมาทั้งสามเดือนก็เลยให้ผัดเปลี่ยนกันไปพระเราชี่เราก็พยายามดูดีๆพิจารณาออก่อนที่จะคบก่อนที่จะฉัน พิจารณาใจของตัวเราเั้่องจะตื่นขึ้นมาความอยากของใจเป็นอย่างไรความหิวของกายเป็นอย่างไรกบประมาณในการครบฉันของตัวเราอาหารมากอาหารน้อยก็อย่าให้ใจเกิดความอยากอย่าให้ใจเกิดความบินดีให้พิจารณาด้วยปัญญาให้ใจรับรู้รู้จักับประมาณในการครบฉันของตัวเรา กายเราหิวใจจะเกิดความอยากได้เร็วได้ไวนี่ที่ท่านบอกว่าปฏิสังขารโยพิจารณาก่อนที่จะครบจะชันพิจารณาทุกเรื่องอตั้งแต่เราตื่นมาพิจารณากายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้การเกิดของใจเป็นอย่างนี้การแยกรูปแยกนามอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามเราจะไปปล่อยปะละเลยไม่ได้เลย เราต้องรู้ให้ชัดเจนอันนี้เป็นส่วนปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนใจทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์ทุกคนก็ปรารถนาที่จ ะ, ะ, เ, ะเข้าให้ถึงความสุขเราต้องอศึกษาคนา้นคว้าตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องชีวิตการดำเนินชีวิต สอนเรื่องการเจริญสติการแยกรูปแยกนามการคลายความหลงใจของเรานี้หลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงมา้งแต่ยังไม่ได้เกิดังแต่กอดไม่รู้ว่าไปอยู่พบใดบ้างพบน้อยพบใหญ่พบสูงพบต่ำขณะมาสร้างพบมนุษย์พระพุทธองค์ท่านให้ค้นคว้าลงไปในกายของเรานี้แหละอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนาม ความเกิดความดับให้รู้แจ้งเห็นจริงไปเหลือวิสัยถ้าคนเราจะศึกษาถ้าคนเราจะทําความเข้าใจรู้จักวิธีการสร้างอ น, นิสงส์งสร้างบุญสร้างบรารมีให้มีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราความขยันหมั่นเพียรความเสียสละความรับผิด ช, ชอบมีสัจจะกับตัวเรารู้จัก ฝึกฝนตัวเราฝึกฝนทั้งกายทั้งใจของเราหมั่นพรําสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาการเกิดคงใจเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับการหลงเข้าไปยึดในความพิดในอารมณ์จึงเรียก ว, ว่าอาการองคขันห้าส่วนนามประธรรมส่วนรูปประธรรมก็ร่างกายของเราร่างกายของเรานีก่อนทุก หนาวก็ทุกร้อนก็ทุกเหิว่ก็ทุกยืนเดินนั่งนอนก็ทุกท่านถึงบอกให้ทำความเข้าใจแต่คนทั่วไปมองไม่เห็นก็เลยมายึดมาติดเป็นตัวเป็นตนก็เป็นตัวเป็นต น, ต น, ต ใ, นตในทางสมมติเป็นร่างกายของเราในทางสมมติในหลักธรรมจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า เราต้องมาศึกษาให้เข้าถึงหลักของอนัตตาการแยกรูปแยกนามอันนี้คือส่วนรูปอันนี้คือส่วนนามคำว่าอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรทำไมเราถึงมองเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราจงมาจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์จนเรารู้เท่ารู้ทันรู้จักอบรมใจของเราอันนี้ส่วนใจอันนี้ส่วนรูปอันนี้ส่วนนาม ท่านถึงบอกให้รอบรู้ในวิญญาณในกายของเราให้รอบรู้ในปัจจัยสี่ในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้รอบรู้ในโลกธรรมแปดที่เราอยังอิงอาศัยตรงนี้อยู่ถ้าเราปล่อยเลยตามเลยใจของเราก็จะหลงอยู่อย่างนั้นแหละนทั้งที่เราก็ว่าเราไม่หลง นอกจากบุคคลที่มาเจริญสติรู้จกักรษณะของสติปัญญาที่สร้างขึ้นมาใหม่รู้จกักรษณะของใจที่คลายจากขันห์รู้จกักรษณะของใจที่ละกิเลสรู้จกักรษณะของใจที่ดับความเกิดใจของคนเรานี้สอนได้บอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นไม่ใช่ปล่อยวันผัดวันประกันพรุ่ง พระเราก็เหมือนกันเข้ามาบวดเข้ามาศึกษาตัวเราความเป็นระเบียบความขยันมันเพียนความเสียสละพยายามสร้างให้มีให้เกิดขึ้นไม่เห็นแก่ความเจลดค้านไม่เห็นแก่อำนาจของกิเลสถ้าเราสอนเราไม่ได้ยากที่คนอื่นจะสอนเราได้ตําราคูบาอาจารย์แนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้คนพบ มาตั้งนานการจเจริญสติเป็นอย่างนี้การรู้เท่ารู้ทันจนใจคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกปรากฏเปิดทางให้การตามดูรู้เห็นความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจในเรื่องอดิจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสมมุติ <c oughs> ตรงพ่อเพิ่งกลับมาจากปักธงชัยเมื่อวานไปได้อาทิตย์หนึ่งจตหะไปได้อาทิตย์ไปที่ปักธงชัย <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ปลูกต้นไม้ได้เต็มกันหมดเหลืออีกประมาณห0รกว่าต้น600กกว่าต้น <c oughs> ต้นชมพูโอต้นเหลืองปียพรที่ออกดอก ส, อสวยๆงามๆกับต้นกนะระปพฤกษ์ปลูกไปได้เกือบ2องหมืนกว่าต้นใช้งบประมาณ2 0 0รกว่าล้านสอล้านกว่าเดี๋ยวนี้ปลูกเต็มต่อไปในวันข้างหน้าก็จะได้เป็นดงดอกไม้ของเมืองไทยเป็นแหล่งบุญใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดิน ภายในห้าปีสิบปีนี้ถ้ายังมีลมหายใจก็คงจะได้เห็นก็คงจะได้ยินข่าวไปชมดงดอกไม้ใหญ่กันฝากเอาไว้ก็ขอขอบใจทั้งเหล่าเทวดาทั้งเหล่ามนุษย์ที่มาช่วยกันมาช่วยกันทําปีนี้ก็ปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วก็ถมที่ที่จะสร้างมหาเจดีย์ก็ถมที่เสร็จแล้วแหละสูงประมาณห้าเมตร จากหลังเขาแล้วก็จะล้อมรอบไปหินอีกเอาหินก้อนไปจัดให้เป็นทางได้สวยได้งามค่อยทำปีนี้ทำได้เท่านี้ปีต่อไปก็ค่อยขยายทำไปเรื่อยๆนี่ทุกศอกทุกมุมลงต้นไม้ให้หมดปลูกต้นไม้ก็ขอขอบคุณขอบใจที่ทุกคนได้มารวมมาร่วมกันซื้อต้นไม้ ปลูกต้นไม้ก็ต้นนิ้วบ้างสองนิ้วบ้างสูงประมาณสามเมตรถ้าเอาต้นเล็กไปปลูกบางทีผลตกลงมาในดินพังทับกบหมดก็เลยได้ตัดชินใจเอาต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ถึงกับใหญ่เอาต้นพอดีพอดีต้นสองนิ้วสมนิ้วนิ้วครึง่งปลูกกันทุกวัน อีกสักหน่อยก็จะใครมีอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ไ, ยวได้ไปพักพอดตกกลางคืนนิดมองเห็นปักทุงชัยหมดเสียงนกร้องกันเต็มระงมตกกลางคืนตั้งหมาจิ้งจกมีโอกาสเราก็จะได้ไปร่วมกันไปช่วยกันสร้างบุญฝากเอาไว้อีกสักที่หนึ่ง ดันเชิญพระบรมสาริกธาตุไปประดิษฐานเอาไว้ขณะที่เรายังมีกำลังบุญสมมุติเราก็ทำให้ดีบุญวิมุติการํำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เราก็จะพยายามทำส่ว น, นวันที่เท่าไหร่นะเจ้าคุณที่จะถ่ายชีวิตกระ บ, บือ้อวันที่สิบสองสิงหาที่จะถึง มีญาติโยมผู้ใจบุญได้มาใช้ชีวิตกระ บ, บือประมาณสักห้าหตัวมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันอนุโมทนาสาธุส่วนเรื่องงทานลองทานญาติโยมท่านในปรารถนาอยากจะมาทำงทานก็มาทำได้ตลอดเวลา ลงทานทั้งน้ำดื่มหรือว่าจะมาตั้งลงทานข้าวปลาอาหารก็มาทำได้ตลอดเวลาส่วนชาวกกบ้านจิตศพที่จัดทำมาก็ปรากฏหมดไปแล้ว8 0 0 8 8ลง888 88, ล 88, ง สงสัยยังไม่ถึงออกพรรษาก็คงจ ะ, ะครบเก้มีโอกาสแล้วก็มาร่วมกันใครอยากจะซื้อสุดสังฆทานมาผ้าขาวดอกไม้ทูบเทียนมาร่วมบริจาคหรือจะมาร่วมบริจาคเอาไว้ซื้อหลวงศพหล ง, ล, งละประมาณเจ0รอบาทก็ลง เอาไว้ให้กับผู้ไอชนทั้งใกล้ทั้งไกลภายในเขต เ, เดี๋ยวนี้เป็นเขตคนเจ็ดละมัง่งัวว้งแต่ก่อนตำบลสำราญของเราตำบลเดียวก็ไปเอามาเกตแปดตำบลบางทีก็ข้ามจังหวัดมาก็มีนี่ที่มาตายอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเอาศพกลับบ้านก็มาขอความอนุเคราะห์ก็เยอะอยู่พวกเรามีโอกาส โอกาสเปิดการเวลาเปิดการกระทํำของเรามีนี่ก็ได้ช่วยอนุเคราะห์พี่น้องเราทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้อาหารตาอาหารกายอาหารใจอาหารใจก็คือธรรมอาหารใจก็คือพรมเบหารความเมตตามองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีเห็นการเกิดการดับดับความเกิดคลายความหลงแทกฏ กลายความหลงหัดสังเกตอบรมใจจนสังเกตใจคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าคลายความหลงอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นของความเห็นถูกเราก็ตามดูรู้เห็นความเกิดความดับของขันห้าเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินเราก็ต้องพยายามพระเราก็พยายาม ให้สร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบทุกสิ่งจึงจะตื่นขึ้นมาที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนเรามีโอกาสได้มาอยู่อาศัยแล้วก็พยายามทําให้ดีไม่ค่อยจะลําบากเท่าไหร่เราพยายามละความปุ่มเปื่อยออกไปให้มันหมดพยายามขยันหมั่นเพียรประหยัดมัธยัต แล้วก็ยังประโยชน์ไม่ใช่ว่ า, เ, าเห็นของมาเยอะๆแยะๆจะใช้แบบพุ่มเปือ่อยตามอำเภอใจของกิเลสก็ไม่ได้เราก็ต้องพยายามจะมีมากมีน้อยก็อย่าให้ใจของเราเกิดกิเลสให้มีด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาอย่างสมมุติของเราไม่ให้ลำบากแต่ก่อนลำบากอยู่าหารที่นี้ลำบากทั้งที่พักที่อาศัยที่นั่งที่นอน แม้แต่ถนนหนทางเดินเข้ามาก็ลําบากแม้แต่ที่สลาที่พวกท่านนั่งนี้ก็ลําบากก็จะทําได้ขนดินเกิดเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนขนอยู่องค์เดียวั้งมีแต่กล่องกระดูกเต็มไปหมดขุดไปตรงไหนก็เจอแต่กล่องกระดูกต้นไม้ที่จะอาศัยก็ไม่ค่อยจะมีมีแต่รากเพล็กปลูกอะไรก็ไม่เกิด อุตสาบปลูกมาทนุบำรุงมาช่วยกันหลายคนหลายท่านหลายปีปีน้นบ้างปีนี้บ้างจนหาสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมพวกเรามาอยู่ก็รู้จักช่วยกันดูแลรักษาทำความเข้าใจทำความเข้าใจทั้งสมมุติทั้งวีมุติไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลย ต้องแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบให้มีให้เกิดขึ้นสร้างความเป็นระเบียบจัดระบบระเบียบภายในใจของเราใจของเราทำไมถึงเกิดใจของเราทำไมถึงหลงใจของเราทำไมถึงเป็นธาตของกิเลสปัญญาทางโลกทุกคนก็มีกันเต็มเปี่ยมแต่ปัญญาในทางธรรม เราต้องสร้างขึ้นมาพลิกปัญญาโลกให้เป็นปัญญาธรรมมองเห็นตามความเป็นจริงทั้งทั้งรูปทั้งนามทั้งสมมุติทั้งโลกธรรมเราก็จะอยู่ดีมีความสุขตั้งใจลับผ่อนกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติให้ต่อเนื่องกันทัน้งนี้หนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนั่งตามสบายวางกายของเราให้สบายหยุดความนึกิด ปรงแต่งต่างๆที่เกิดจากใจเกิดจากอาการห้องขันห้าด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ ก, การสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้า วิ่งออกกระทบปลายจมูก ข, ของเราอันนี้ที่ท่านเรียกว่าสติรู้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องจะเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเด้งแต่ตื่นขึ้นส่วนการเกิดของใจการเกิดของอาการของใจมีมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดตั้งแต่ชาวมาไม่รู้ใจของเราคิดสักกี่เรื่องไม่รู้ว่าความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราสักกี่ครั้ง รวมไกรวมกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละความหลงอยู่ในก้อนนี้อยู่ดีอยู่ในก้อนองขันห่านี้ท่านถึงให้เจริญสติลงที่กายของเราแล้วก็เอาสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาไปใช้การใช้งานไปสังเกตใจของเราสังเกตขันห่าของเราถ้าเราสังเกตทันตั้งแต่การขอตัวความคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมใจจะดีดออกจากความคิด หงายเหมือนกับหมายของที่คว่ำเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นแต่การจิตใจฝักใฝ่ปัถนาในบุญในธรรมนั้นมีมาตั้งนานเป็นสัมมาทิฏฐิความ เ, เห็นถูกแต่เป็นความเห็นถูกอยู่ในระดับของสมมุติเชื่อบุ ญ, บญเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อความตัศรู้ของพระพุทธองค์แต่การเข้าถึง การสังเกตการวิเคราะห์ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นลักษณะนี้ใจที่ไม่มีกิเลสใจที่สะอาดเป็นอย่างนี้นการอบรมใจแก้ไขใจของเราให้มองเห็นตามความเป็นจริงส่วนมากก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ก็เป็นการสวนเป็นการทวนกระแสะกิเลส พอความเกิดของใจความเกิดของขันห้าเขาก็ไม่ยอมไง่ายๆเหมือนกันพอเขาหลงมานานเขาอยู่ด้วยกันมานานเราจะจับแยกเขาปล่อยปะละเลยปล่อยวางทีเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้อง กำลังสติของเราต้องชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลตามดูรู้ความเป็นจริงจนใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายจนอยากจะหลบหลีหลบหลีไม่ได้ก็อยู่อุบเบกขาดับความเกิดของใจค่อยขยับขยื่นไปทีละขั้นใจของเรามีกิเลสเราก็ละกิเลสใจของเราเกิดกิเลสกิเลสอยากกิเลสละเอียดมีกันหมดทุกคนนั่นแหละถ้ากําลังสติของเราเข้มแข็งต่อเนื่อง เราถึงจะเห็นอย่าไปเสือดายอะไรอาวรกับกิเลสอย่าไปเสือดายอะไรอาวรกับอารมณ์เล็กๆแน่น้อยจงพยายามทําใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เอาทรัพย์ที่สูงคือความบริสุทธิ์ไม่ต้องกลับมาเกิดกัดมองเห็นหนทางเดินบุญสมมุติเราก็ทําทํากันเต็มเปี่ยมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาบุญวิมุตรเราก็ต้องศึกษาค้นคว้า อย่าพากันไปวันเวลาทิ้งเชื่อได้เวลาอ่ะสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนกันจากพักทศระยะาหนึ่งใชก่อนนะตามความเป็นจริงเราต้องรู้ทุกกริยาบทนอกจากเราจะนอนหลับโน่นมันถึงจะถูกจนเอาไปใช้การใช้งานได้แต่เวลานี้เราก็ต้องพยายามสร้างให้มันต่อเนื่องให้ได้สียก่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้ท ว่ายระพพร้อมๆกันค่อยไปทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบท